นาปฏิวนันพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ640 1อิบหนพิสูตขอได้มายิบจีบอล2อพิสูุขอได้มาทําผ้ารัดเขา3าพิสูตขอได้มาทําประคตเอว4ี่พิสูตขอได้มาทําผ้าอังสัตหพิกษุขอได้มาทาําถุงบาต 6. กพิกษุขอได้มา ท, มาทํ า, า, ท า, ทาทผ้ากรองน้ํา7็พิกษุขอจากญาติ8ปพิกษุขอจากคนปรวรนา เก้าพิกูุขอเพื่อพิกษุอื่นสิบพิกูุซื้อมาด้วยทรัพย์ของตนสิบเอ็ดพิกูุวิกลจริตสิบสองพิกูุต้นบัญญัติสุตตะวินยติสิขาบทที่หก